บูกทูยี่สิบสการนัดหมายสวั a สกะคุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่าครับสมัชกาลสมัชก a ลสิอาวตอบุสผมรอคุณครึ่งเชื่อโมงแล้วครับ Al, คุณมีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือครับคุณมีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือครับครั้งหน้าขอให้ตรงเวลานะครับครั้งหน้าขอ d ห c h รงเว d o น h ครับครั้งหน้านั่งแท็กซี่นะครับ Ce, tak n a b นาค c ขอดับแซี่กครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะครับ n น b u าคตซีซอบเบิร์ดดาชพรุ่งนี้ผมหยุดครับไจตรามาลนพรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมครับส t ตรทเนมสซาไจตรา je uto, <S s li, jan, m ิ l ู t o zajtra n มัวเจมสุดสัปดาห์นี้คุณมีอะไรทำหรือย a งครับม u า z n i ุสนาเตนโตวีคเคนต์นี่เลาหรือว่าคุณมีนัดแล้วครับบดดุตผมเสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์ น่ารบกวนให้เราไปปิกนิกกันดีไหมครับเราไปมีสีปิกน i กเราไปชายหาดกันดีไหมครับเราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมครับ ผมจะไปรับคุณที่ทำงานยมเปรเช e า, าผมจะไปรับคุณที่บ้านยมามผมจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสารพรียมเปรเ e b a น a อ u t o บุ s o v ู za สตาลคู